วันนี้เป็นวันเสารที่สิบสี่ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธผู้มีจิตศรทัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มา ฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่งได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ า, าเพื่อนำไปใช้ในการยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลง คำสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะฟังกันในวันนี้คือแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรคือแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่นธรรมคำสอนหลักธรรมที่สําคัญของศาสนาพุทธคือกฎแห่งกรรม นี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้านำเอามาสั่งสอนพวกเราชาวพุทธให้เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมเป็นเหมือนกฎหมายบ้านเมืองที่จะปกครองประชารชานให้อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขกฎแห่งกรรมก็เป็นกฎที่จะมาควบคุมดูแล จิตใจของพวกเราทุกคนให้ได้อยู่อย่างโล่งเย็นเป็นสุขให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพียงอย่างเดียวถ้าเรารู้จักกฎแห่งกรรมคำว่ากรรมนี้เราต้องทําความเข้าใจก่อนคือเพราะว่าคำว่ากรรมนี้เราใช้กันหลายความหมายด้วยกัน คำว่ากรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคำว่าบาปที่เรามักจะใช้กันคู่กับบุญทำบุญทากรรมความจริงความหมายก็คือทำบุญทาบาปคำว่ากรรมในที่นี้แปลว่าการกระทำกฎแห่งกรรมคำว่ากรรมในกฎแห่งกรรมนี้แปลว่าการกระทำ ของใจด้วยการใช้ร่างกายและวาจาเป็นเครื่องมือในการสนัสนบสนุนในการกระทําของใจคำว่ากรรมนี้เป็นคำก่างกลางการกระทําของใจทำด้วยอะไรทำได้อย่างไรการกระทําของใจก็คือทำด้วยความคิดนี่เอง ก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรทางร่างกายได้เราต้องรอคำสั่งจากใจก่อนใจต้องเป็นผู้สั่งให้พูดให้ทำเช่นวันนี้ใจต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาฟังเทศฟังธรรมพอคิดแล้วว่าจะมาฟังเทศฟังธรรมพอถึงเวลา ที่จะมาฟังเทศก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาสั่งให้วาจาพูด เ, เชื้อเชิญคนที่เรารู้จักวันนี้ไปฟังเทศฟังธรรมกันไหมนนไถ้าเขาบอกไปก็ไปร่วมกันนี่นี่คือการกระทาผู้กระทาคือใครเนี่ย ผู้กระทำคือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นผู้รับใช้ใจผู้สั่งการอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับรถยนต์ร่างกายของพวกเรานี้เหมือนกับรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เวลาที่คนขับรถยนต์ ขับรถไปชนคนตายโดยอุบัติเหตุเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาจับเขาไม่จับรถยนต์เขาจับคนขับเพราะคนขับนี่เป็นคนกระทำโดยใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือเวลาลงโทษก็ไม่ลงโทษรถยนต์แต่ลงโทษคนขับรถยนต์ เช่นขับเมาแล้วขับก็ถือว่าทําผิดกฎหมายทําให้เกิดผู้เกิดความตายแก่ผู้อื่นได้ผู้ที่ขับรถยนต์จึงต้องเป็นผู้ไปติดคุกติดตารางไปรับโทษส่วนรถยนต์นี้เขาไม่ลงโทษทันใดร่างกายของพวกเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นผู้ขับร่างกายนี้ เป็นผู้สั่งให้ร่างกายพูดสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วผู้ที่จะรับผลก็คือใจไม่ใช่ร่างกายเราต้องเข้าใจหลักนี้ว่าใครเป็นผู้กระทำและใครเป็นผู้รับผลของการกระทำกรรมไม่เช่นนั้นเราจะควายเขวได้ถ้าเราไปคิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำ และเป็นผู้รับผลของกรรมเราก็จะสับสนได้เพราะเวลาที่มีการกระทำกรรมที่เป็นโทษเช่นทาบาปผ่านทางร่างกายผ่านทางวาจาแต่บางทีร่างกายนี้ไม่ได้รับโทษคือไม่ได้ถูกจับไปเข้าคุกเข้าตารามก็เพราะว่า บางทีไม่มีใครรู้ว่าร่างกายได้ไปกระทําบาปหรือถ้ารู้แล้วสามารถหลบหนีได้หลบหนีการกำการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ร่างกายก็ไม่ต้องไปรับผลบาปที่ได้กระทําไว้แต่ความจริงผลที่เกิดจากการกระทําบาปนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในใจของผู้กระทํานั่นเอง ใจเป็นผู้กระทำแล้วใจก็จะเป็นผู้รับผลของการกระทำพอใจไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายใจก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา <c oughs> เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความหวาดระแวงต่างๆขึ้นมาอันนี้แหละเป็นผลที่เกิดจากการกระทาบาป คือความทุกข์ใจผู้กระทําก็คือใจ แ, และผู้รับผลของการกระทําก็คือใจเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาให้ผลต่อผู้กระทําไม่ว่าจะทําดีหรือทําบาปไม่ต้องมีใครมาให้ผลกับผู้กระทําผลเกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ ทำดีทำบุญจะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีทำบาปจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนี่คือผลที่เกิดแล้วก็เป็นผลเบื้องต้นยังมีผลที่จะตามมาอีกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายตายไปแล้วใจผู้กระทากรรมต่างๆนี้ ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ตนเองได้ทำไว้ต่อไปในใจของตนนั่นแหละไม่ได้เป็นสถานที่ที่จะไปรับผลบุญผลบาปอย่างที่เราคิดกันว่านารกสวรรค์เรามักจะคิดว่าเป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพเหมือนเชียงใหม่แต่ความจริงมันเป็นสถานภาพของใจ ถ้าใจทำบุญไว้มากกว่าทำบาปบุญนี้จะส่งผลก่อนเพราะบุญมีกาลังมากกว่าผลของบุญก็คือทำให้ใจมีความสุขมีความสงบมีความเย็นมีความสบายความสุขความเย็นสบายนี้เราก็เรียกว่าสวรรค์กันถ้าบาป ถ้าทำบาปไว้มากกว่าทำบุญบาปก็จะส่งผลก่อนตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะรับผลบาปคือรับความทุกข์ความรุ่มร้อนใจเราก็เรียกว่านารกเรียกว่าอบายเนี่ยนี่คือผลของการกระทำบุญและของผลของการกระทำบาป เกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มทำเลยขณะที่เรายังไม่ตายกันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเวลาทำบุญแล้วจะไม่มีความรู้สึกมีความสุขไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเวลาทำบุญแล้วเวลาทาบาปแล้วจะไม่ไม่มีความทุกข์เนยต้องมีกันทุกคนทำบุญแล้วใจจะสบายทำบาปแล้วใจจะทุกข์ นี่ผลเกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นะบุญที่เราทำบาปที่เราทำนี้ยังไม่หายไปยังสะสมอยู่ในใจยังไม่ได้ส่งผลได้อย่างเต็มที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่ก็ตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วตอนนั้นบุญหรือบาปที่เราได้ทำไว้ที่ได้สะสมไว้ในใจ ก็จะส่งผลได้อย่างเต็มที่ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญมีกำลังมากกว่าฝ่ายบาปบุญก็จะดึงใจให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาทำใจให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะทำใจให้เป็นนรกขึ้นมาให้เป็นอบายขึ้นมา นี่แหละคือเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของจิตใจไม่ได้เป็นเรื่องของร่างกายถ้าเราไปมองผลทางร่างกายเช่นทำดีแล้วจะเจริญด้วยลาบยศสารเสนสุขเราก็จะอาจจะผิดหวังเพราะมีคนบ่นอยู่เลยเรื่อยๆว่าทำบุญทำดีแล้วไม่ได้ดี ทำบุญแล้วทำความดีแล้วไม่ได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในลาบยศสารเสริญสุดทางกายทางตาหูจมูกนิ้วกายส่วนคนที่ทำบาปได้ดีมีถมไปทำดีไม่ได้ดีทำบาปกับได้ดีมีถมไปคนบางคนทำบาปแล้วกับได้ความเจริญทางด้านลาบยศสารเสริญสุด ทำบาปโดยการรับใช้เจ้านายเจ้านายเห็นได้รับผลประโยชน์จากการกระทําบาปของลูกน้องก็ขึ้นเงินเดือนให้เลื่อนตําแหน่งให้ได้จึงทําให้คนท้อแท้ไม่เชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเพราะเห็นว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีคนที่ดีเจ้านายสั่งให้ไปทําบาปแต่ไม่ยอมทําขัดขืนคําสั่งเจ้านาย แทนที่จะได้ดีกับถูกเจ้านายกั่นแกล้งต่างๆนาน า, นาสั่งให้โยกย้ายไปทำงานที่ต่ำกว่าถ้าลดตำแหน่งได้ลดเงินเดือนได้ก็จะลดเงินเดือนลดตำแหน่งเพื่อเป็นการลงโทษในฐานะที่ไม่ตอบสนองความอยากของเจ้านาย<ม><ม>ก็เลยไม่ได้เจริญในทางราบยศสารเสริญ สุขแต่นี่ไม่ได้เป็นผลของการทำบุญหรือทำบาปสิ่งเล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำทางร่างกายร่างกายก็รับผลไปร่างกายตอบสนองความต้องการของเจ้านายเจ้านายก็ให้ดิบให้ดีให้ได้เป็นหมายังตั้งให้เป็นในผลได้ ถ้าทําให้เจ้านายถูกใจท่อย่างเจ้านายก็ตั้งให้เป็นนายพลนะเป็นนายพันได้แต่ถ้าทําให้เจ้านายไม่ถูกใจก็ถูกปดได้เป็นอะไรใหญ่โตขนาดไหนถ้าถ้าเจ้าชาเจ้านายไม่พอใจก็ปดออกได้ถ้าเรามองทางด้านลาบยศสรรเสริญสุขการเจริญการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขว่าเป็น ผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปเราก็จะสับสนพราะมันไม่เป็นไปาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าทำบุญแล้วได้ดีทำบาปแล้วได้โทษเพราะคนทำดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีมีเยอะแยะไม่ได้ดีแล้วดีไม่ดีได้โทษ ด, ด้วยเพราะไปขัดใจเจ้านายเจ้านายสั่งให้ทำบาปแต่ไม่ยอมทำบาปตามคำสั่งของเจ้านาย เจ้านายก็เกิดความโกรธได้ลงโทษคนรับสั่งได้ถ้าถ้าเจ้านายสั่งให้ไปทำบาปแล้วทำตามที่เจ้านายสั่งเจ้านายก็จะรักจะชอบ <Yeah. S 1> เจ้านายก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ได้ <Yeah. S 1> ดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่า <Yeah. S 1> การทำบุญการทำความดีต่างๆนี้ เราไม่ได้หวังผลจากการเจริญในลาบยศสารเสริญสุขเราหวังผลในการเจริญของจิตใจจิตใจของเรานี่สำคัญกว่าร่างกายร่างกายของเรานี่อยู่ไม่นานก็ตายแล้วผลที่เราได้รับผ่านทางร่างกายมันก็จะหมดไปได้ตาแหน่งได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญมากน้อยเพียงไรก็ตาม พอร่างกายตายไปลาบยศสรรเสริญก็หมดไปใจไม่สามารถเอาลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดตัวไปได้แต่ใจจะเอาบุญหรือบาป ท, ที่ได้ทําไว้ติดตัวไปเท่านั้นถ้าเป็นบุญก็จะเอาความสุขความเจริญไปความสุขความเจริญของใจก็มีหลายระดับด้วยกัน นับตั้งแต่ระดับมนุษย์ขึ้นไปจากมนุษย์เราก็าจะสามารถยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นไปเป็นเทพได้เป็นเทวดาชั้นต่างๆชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นอะไรต่างๆีมีอยู่หกชั้นด้วยกันนี่คือการเจริญของจิตใจเป็นผลที่เกิดจากการทำบุญ ทำบุญแล้วจิตใจก็จะเจริญขึ้นไปเป็นชั้นๆไปแล้วสูงกว่าชั้นของเทวดาก็มีบุญที่สูงกว่าอกีกคือชั้นของพรหมชั้นของพรหมก็มีอยู่สองระดับระดับรูปประพรมกับระดับอรูปประพรมและระดับของรูปประรมและระดับอรูปประพรมก็มีแบ่งเป็นชั้นย่อยขึ้นไปอีกรวมทั้งหมดรู้สึกว่าจะมีสิบหชั้นด้วยกัน สวรรค์ชั้นพรหมแล้วเหนือกว่าสวรรค์ชัน้นพรห์ก็ยังมีสวรรค์ชั้ น, นพระ อ, อริยเจ้าสวรรค์ของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระ อ, อนาคามีและพระ อ, อนาหาันจนไปถึงพระนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดอันนี้แหละคือความเจริญของจิตใจคือความสุขของจิตใจ ถ้าจิตใ จ, จเจริญสูงขึ้นความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความสุขของเทพนี้จะมีมากกว่าของมนุษย์ความสุขของพรมจะมีมากกว่าของของเทพความสุขของพระอริยจะมีมากกว่าความสุขของพรมนี่คือผลของการได้ทําบุญชนิดต่างๆกัน จะส่งผลให้จิตใจนั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดนและเป็นผลที่สามารถเอาติดตัวไปได้เวลาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วสมมติว่าถ้าตอนนี้จิตใจของท่านเป็นเทพแล้วเวลาตายไปร่างกายตายไปจิตของท่านก็เป็นเทพอยู่ต่อไปไม่ได้เสื่อมไปไม่เหมือนกับร่างกาย ร่างกายตอนนี้เป็นประธานาธิบดีพอร่างกายตายไปประธานาธิบดีก็ตายไปกับร่างกายไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ไม่ใช่กลับมาเกิดชาติหน้าแล้วเลึกชาติได้บอกว่าชาติก่อนผมเป็นประธานาทาธิบดีชาตินี้ผมมาขอทวงตำแหน่งคืนเขาไม่เชื่อเราเขาไม่ให้เราหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของที่เอาติดตัวไปกับใจได้ แต่สิ่งที่เราติดตัวไปได้คือความเจริญระดับต่างๆของจิตใจถ้าชาตินี้เป็นโสดาบันชาติหน้ากลับมาเกิดก็ยังเป็นโสดาบันต่อไปและสามารถพัฒนาจากระดับโสดาบันขึ้นไปสู่ระดับสกิทาคามีระดับอนาคามีระดับอรหันต์ได้ตามลําดับต่อไป นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมต้องเข้าใจว่าเราพูดถึงจิตใจไม่ได้พูดถึงร่างกายและผลของกรรมนี้ก็ไม่ได้หมายถึงการเจริญหรือเสื่อมในลาบยศสรรเสริญสุขทางร่างกายแต่เป็นความเจริญของจิตใจหรือความเสื่อมของจิตใจจิตใจนอกจากจะเจริญได้แล้วยังเสื่อมได้ เช่ตอนนี้จิตใจเราเป็นมนุษย์อยู่ร่างกายเราเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจเราอาจจะต่ํากว่ามนุษย์ก็ได้ถ้าเราทําบาปจิตใจเราก็จะเริ่มต่ําลงไปทันทีถ้าเราทําบาปเราจิตใจของเราก็จะสามารถกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้กลายเป็นเปรลได้กลายเป็นอสุ ร, รกายกลายเป็นนรกได้นะ เพรานี่คือความเสื่อมของจิตใจเวลาที่ทําบาปมันเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ต้องมีศาลมาตัดสินคดีว่าเอาไปนี้คุณเป็นเดรัจฉานแล้วนะคุณไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนะเอาไปนี้คุณเป็นเ ป, นเปรตแล้วนะคุณไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วนะอันนี้ไม่ต้องมีใครมาตัดสิน กฎแห่งกรรมนี้เป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของใจที่มากับใจที่ติดอยู่กับใจทำบุญปั๊บจิตก็จะสูงขึ้นทันทีทำบาปปั๊บจิตก็จะเสื่อมจะต่าลงทันทีนี่คือคําสั่งคาสอนหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนอยู่ที่กฎแห่งกรรมนี้เท่านั้นแล้วก็เป็น สิ่งที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนถึงจะได้ดูถึงจะได้ดูได้ว่าใครเป็นผู้กระทากรรมและใครเป็นผู้รับผลบุญผลบาปของผู้กระทำอันนี้ถ้าไม่ศึกษานี้จะงงจะสับสน จะคิดว่าตายไปแล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรเพราะเราจะเห็นเพียงแต่ร่างกายเราเท่านั้นส่วนใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเราก็เลยไม่รู้ว่ามีใจอยู่ด้วยและใจนี้เป็นอีกบุคคลหนึ่งต่างจากร่างกายเพียงแต่มาอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันเท่านั้นเองเหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์นี่ เวลาขับรถยนต์คนขับรถยนต์ก็ต้องอยู่ในรถยนต์อยู่ในที่เดียวกันก็อาจจะไปคิดว่าคนขับรถยนต์กับรถยนต์นี้เป็นส่วนเดียวกันคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ศึกษาทำไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้จะคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตายด้วยกันร่างกายตายใจก็ตายด้วย เราไปคิดว่าใจคือสมองคือความคิดมาจากสมองเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆพอสมองหรือร่างกายหยุดทํางานก็ถือว่าจบก็เรียกว่าตายแล้วศูนย์คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะคิดว่าไม่มีผลอะไรตามมาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ผนที่ทางพุทธศาสนาสอนว่าตายไปแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปนี้เขาก็ไม่เชื่อกันเพราะเขาไม่เห็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปคือใครเพราะเขาเห็นเพียงแต่ร่างกายเห็นร่างกายเป็นผู้ทำบุญทำบาปถ้ายังไม่ตายก็ถูกไปจับไปลงโทษได้ถ้าทำบาปถ้าทำความดีก็อาจจะได้รับรางวัลได้รับเหรียญตราก็ได้ แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปบางทีทําดีแต่คนไม่เห็นก็จะไม่ได้รับรางวัลทําบาปแล้วไม่มีใครรู้ก็จะไม่ได้ถูกจับไปลงโทษได้คนเราก็เลยไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกันไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์กันไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะตัวที่ไปนรกไปสวรรค์ ตัวที่เวียนว่าตายเกิดนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตามือนร่งกายนั่นเองเนี่ยคือความความแปลกประรหลาดมาศจั์ของใจของพวกเราทุกคนแม้แต่พวกเราเองผู้ที่ใช้ร่างกายอยู่ในขณะนี้ก็มองไม่เห็นตัวเราเองตัวเราที่แท้จริงคือใจผู้รู้ผู้คิดนี่เราจะไม่เห็นได้จนกว่าเรามาปฏิบัติธรรมจนกว่าเราจะทำนั่งสมาธิ ทำจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้ให้แยกออกจากร่างกายเมื่อนั้นแหละเราก็จะเห็นตัวจิตตัวผู้รู้อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมอีกต่อไปไม่สงสัยว่าใครเป็นผู้กระทากรรมต่างๆไม่สงสัยว่าใครเป็นผู้รับผลของกรรมนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ที่พระพุทธเจ้านำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราการกระทําของพวกเรานี้มีอยู่สามทางด้วยกันทางหนึ่งก็พาเราไปสู่ที่ต่ำคือไปอบายทางหนึ่งก็พาเราไปสู่ที่สูงคือสวรรค์ชั้นต่างๆและอีกทางหนึ่งทางที่สามคือพาเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ให้เราพ้นจากการกระทำกรรมทั้งปวงคือไปพระนิพพานนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สรงตัดสรุทุกๆพระองค์ทุกๆพระองค์ที่มาตัดสรุปนี้จะมาตัดสรุเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องของวิบากหรือผลของกรรมที่จะตามมาถ้าทำบาป ก, ก็จะนำไปสู่อบายไปสู่นรก ถ้าทำบุญก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้ากําจัดความโลภความโกรธความหลงถ้าตัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจก็จะไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางสองทางแรกนี้เป็นทางที่นาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด ทำบาปแล้วก็ไปรับผลบาปในอบายหลังจากที่ผลบาปได้ส่งผลหมดแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบาปใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเวียนว่ายตายเกิดในในอบายกับการมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกที่ทำบุญก็เช่นเดียวกันเวลาตายไปก็ไปรับผลบุญในสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหม แล้วพอบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลับมาทำบุญใหม่เพราะโดยปกติถ้าเคยทำอะไรมักจะติดเป็นนิสัยพวกทำบุญก็มักจะชอบทำบุญพวกทาบาป ก, ก็มักจะชอบทำบาป ก, กันแต่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้เช่นถ้า เราเคยชอบทำบุญแล้วเราได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วได้เรียนรู้ถึงพุทโทษของการทำบาปว่าเป็นอย่างไรไม่ดีกับเราอย่างไรเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการฝืนใจทุกครั้งที่คิดจะทำบาปก็ไม่ทำฝืนมันไปถ้าเราฝืนไปเรื่อยๆต่อไปความคิดที่จะทำบาปมันก็จะหยุดไป เช่นเดียวกับการมีนิสัยชอบทำบุญเรากลับมาเราก็จะทำบุญแต่เราก็อาจจะเปลี่ยนนิสัยจากการทำบุญมาทำบาปได้ถ้าเราไปเกิดอยู่ในภาวะที่แวนแค้นที่ตกยากลำบากแล้วเราไม่สามารถที่จะาหาเงินหาทองให้เราได้เราก็อาจจะถูก อิทธิพลของการทำบาปมายั่วเราก็ได้ว่าทำบาปแล้วมันได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่าก็อาจจะต้องทำบาปกันเพื่อที่จะได้มีสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันยันนิสัยที่เคยชอบทำบุญก็อาจจะกลายเป็นนิสัยมาทำบาปได้เช่นเดียวกับนิสัยที่ชอบทำบาปก็สามารถเปลี่ยนนิสัยมา เป็นการทำบุญได้มาชอบทำบุญได้มันไม่ได้เป็นของตายตัวคือความหมายที่พูดในที่นี้คือคนที่ชอบทำบุญก็ไม่ในมหมายความว่าจะเปลี่ยนไม่ได้คนที่ชอบทำบาปก็ไม่ในหมายความว่าจะเปลี่ยนไม่ได้แต่มันยากเวลาจะเปลี่ยนคนที่ชอบทำบาปเวลาจะเปลี่ยนนิสัยไม่ทำบาปมันจะรู้สึกยากคนที่ชอบทำบุญ แล้วให้ไปเปลี่ยนนิสัยให้ไปชอบทาบาปก็ยากเหมือนกันแต่บางครัง้งบางคราวอาจจะถูกเหตุการณ์หรือถูกสังคมที่ตนเองอยู่ด้วยบีบบังคับให้ทําก็ได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของจิตใจของแต่ละดวงว่าจะสามารถต้านการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่สำหรับจิตใจที่ดีที่เป็นใจบุญ มีกําลังพอที่จะต้านเหตุการณ์ที่จะมาบังคับให้ไปทำบาปได้หรือไม่แล้วก็จิตใจที่ชอบทำบาปนี้สามารถเปลี่ยนไปทำบุญได้หรือไม่ถ้ามีผู้มาชี้นำมาชักชวนเช่นพวกเราชอบทำบุญกันเราเห็นเพื่อนเขาชอบทำบาปเราก็ชวนเขามาทำบุญ เขาจะมาได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเขาแต่ถ้าเขามาได้แล้วเขามาลองทำบุญดูแล้วก็ได้สัมผัสกับผลของการทำบุญว่าทำแล้วทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเขาก็า จ, จะติดใจได้แล้วอาจจะมาทำบุญมากขึ้นบ่อยขึ้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของจิตใจที่ยัง ไม่ถาวรไม่มั่นคงยังถูกกระแสะของเหตุการณ์ต่างๆมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนได้จิตใจก็เลยอาจจะเปลี่ยนจากการทำบุญไปทำบาปและเวลาตายไปจากการที่จะไปสวรรค์ก็ไปอบายแทนไปนรกแทนแล้วก็จิตใจที่เคยไปอบายพอกลับมาเปลี่ยนนิสัยทำบุญได้ ก็เปลี่ยนผลจากการไปอบายไปเกิดในสวรรค์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลของการไปเกิดในภพต่างๆนี้ก็ยังอยู่ในกฎของตายลักอยู่คือในกฎของอนิจจังคือความไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวไปเกิดในชั้นไหนในที่สุดก็จะหมดเสื่อมลงมา แล้วในที่สุดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่แล้วก็มาทำบุญทําบาปกันใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะเหตุที่พาให้เรามาทำบุญทําบาปนี้มันยังไม่ได้ถูกกาจัดให้หมดไปจากใจนั่นเองถ้าเราต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราต้องการส่งใจของเราไปสู่พระนิพพานเราก็ต้องมากําจัดเหตุที่ทําให้ใจของเรานี้ยังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพอยู่หเหตุที่ดึงให้ใจของเรานี้ยังกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาทําบุญทำบาปชนิดต่างๆอยู่ก็คือความอยากสามประการด้วยกันที่เรียกว่าตัณหาสามชนิด ชนิดที่หนึ่งเรียกว่ากามตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆการแปลว่ากามคุณห้ากามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทัพทพะเนี่ยคือสัมผัสที่มาสัมผัสทางร่างกายนี้เราเรียกผดทัพทพะเช่นความเย็นความร้อนความแข็งความนุ่มที่มากระทบกับร่างกายเหล่านี้เราเรียกว่าผดทัพทพะ หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางร่างกายนี่คือสิ่งที่ใจเราอยากกันชอบกันไม่มีใครปฏิเสธว่ายังอยากดูหนังยังอยากฟังเพลงอยู่ยังอยากดูละครยังอยากจะดูของสวยๆงามๆต่างๆอยู่ยังอยากฟังเสียงไพเราะยังอยากฟังเสียงเพลงฟังเสียงสรรเสริญเยินยอ อะไรต่างๆอยู่นี่คือความอยากของใจเวลาใจเราห่างจากรูปเสียงกลดิ่นรสนี้ใจเราจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาเช่นในช่วงที่เราต้องมาอยู่กักตัวในบ้านกันออกไปสังสรรค์ไปสังคมกับเพื่อนฝูงไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเหงารู้สึกว่าว้าวเวเพราะใจเราหิวโหยกับการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แล้วพอไม่ได้สัมผัสความอยากนี้เลยทําให้ใจเรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายขึ้นมาใจของเราเลยต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆแต่ปัญหาของรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไปหากันก็คือเขาเป็นของชั่วคราวนั่นเองเขาไม่สามารถอยู่ในใจของเราไปได้ตลอดเราออกไปเที่ยวกันเราไปดูหนังฟังเพลงกัน ไปงานเลี้ยงกันไปดูละครดูการแสดงอะไรต่างๆพอเรากลับมาบ้านปับ๊บสิ่งเหล่านี้ที่เราไปสัมผัสมามันก็จะจางหายไปจากใจของเร า, ท, าทันทีความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้มันก็หายไปจางหายไป ท, ทันทีทำให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายใหม่จึงทำให้เราต้องคอยออกไป หารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆมาเสพอยู่เรื่อยๆความอยากเหล่านี้นอกจากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วความอยากมีอยากเป็นทุกคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่อยากจะเป็นใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อยกันนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันกันนายพันก็อยากจะเป็นนายพลนายพลก็อยากจะไปเป็นรัฐมนตรี ไปเป็นนายกกันนี่คือความอยากมีอยากเป็นที่คอยดันใจให้เราไปหาสิ่งต่างๆมามาเป็นกันแล้วความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เป็นความอยากชนิดที่สามเราก็มีความอยากในสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่เป็นกันเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากตายไม่อยากยากจน ไม่อยากไปติดคุกติดตารางอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นแล้วถ้าลึกไปกว่านี้ความอยากมีอยากเป็นก็ก็คือความอยากได้รูปปัจจานได้สมาธิก็ถือว่าเป็นความอยากอีกอันหนึ่งได้อรูปปัจจานก็เป็นความอยากอีกอันความไม่อยากความอยากได้ในสิ่งที่ไม่มีคืออรูปปัจจาน เนี่ยการมีความอยากสามระดับสามอย่างนี้เป็นเหตุที่ดึงให้ใจเราต้องกลับมาเกิดในตายภพเกิดในสังสารวัฏในภพที่เป็นภพที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถาวรมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวแล้วก็ต้องตกสวรรค์ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดเป็นพรหมก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทพแล้วก็เสื่อมกลับลงมาเป็น เป็นเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าไปทําบาปก็เสื่อมลงไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือไปตกนรกเสร็จแล้วก็กลับมาพอหมดบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาทําบุญทําบาปกันใหม่แล้วก็มาทุกกับการเป็นมนุษย์อย่างที่เราพวกเราทุกกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกกับเรื่องราวตา่างๆทุกกับเรื่องของร่างกายที่เราจะต้องคอยเลี้ยงดูอยู่ตลอดเวลา ทุกข์กับปัญหาต่างๆภัยต่างๆแล้วก็ทุกข์ของร่างกายเองคือความแก่ความเจ็บความตายสรุปก็คือถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานไม่ได้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ยังจะต้องเจอทุกข์แบบนี้ไปเรื่อยๆการมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตายกันทุกคน แล้วพอตายแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจของเรามันไม่ได้ตายไปกับความตายของร่างกายความอยากนี้มันก็จะผลักดันให้เรากลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเรายังอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรายังอยากมีอยากเป็นอยู่อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยู่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบจากการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเอง พระุเจ้าไม่ต้องการจะมีความทุกข์ก็เลยทรงค้นหาว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ต้องทุกข์ในที่สุดก็ทรงพบว่าเกิดจากความอยากสามประการนี้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นดังนั้นถ้าอยากที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องกาจัดความอยากทั้งสามประการนี้ให้หมดไปจากใจให้ได้เท่านั้น แล้วพระพุทธเจ้าก็สามารถทำได้สำเร็จสามารถกำจัดความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจของพระองค์นี้ให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติสามขั้นด้วยกันคือขั้นแรกละ ก, การกระทำบาปทั้งปวง<อ>เพื่อจะได้ปิดการไปเกิดนัยบายขั้นที่สองให้ทำบุญเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นกว่าการเป็นมนุษย์ เพราะการจะออกจากสังสารวัฏออกใจตายพบได้การจะไปสู่พระนิพพานนี้ต้องผ่านสวรรค์เหมือนกับเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพเต้องผ่านพัทยาต้องผ่านศรีราชาผ่านชนบุรีก่อนเราถึงจะสามารถไปถึงกรุงเทพได้ถ้าเราต้องการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดขั้นแรกเราก็ต้อง ปิดประตูาบายก่อนด้วยการไม่กระทำบาปทั้งปวงแล้วเราก็มาสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆเพื่อยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นออกเดินทางจากภพของมนุษย์ไปสู่ภพของเทวดาจากภพเทวดาก็ไปสู่ภพของพรหมแล้วจากภพของพรหมก็ออกไปสู่ภพของพระอริยจนในที่สุดก็จะไปถึงพระนิพพานได้ นี่คือเส้นทางเดินของจิตใจของพวกเราที่เกิดจากการกระทากรรมที่ดีกรรมที่ดีและเกิดจากการละเว้นการกระทำกรรมที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่พวกเราถ้าปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าปรารถนาการที่จะอยู่อย่างมีความสุขไปอย่างถาวรไปตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันสิ้นสุด เราก็ต้องไปหาความสุขจากพระนิพพานเท่านั้นนอกนั้นแล้วเป็นความสุขชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นความสุขที่สูงขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามมันก็มีวันสิ้นสุดลงความสุขของเศรษฐีมันก็มีวันสิสขขนนส้นสุดลงความสุขของประธานาธิบดีของพระเจ้าแผ่นดินมันก็มีวันสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นความสุขระดับไหนแบบไหนก็ตามถ้ายังเป็นความสุข ข, ของสังสารวัฏอยูอ่ ของตายพบอยู่มันจะต้องมีวันเสื่อมเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ต้องตายเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมไปเป็นพรหมเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมมีการไปเป็นพระอาริยบุคคลเท่านั้นที่จะไม่เสื่อมหรือเสื่อมน้อยลงเช่นถ้าได้ไปเป็นพระโสดาบันแล้วนี่จะตัดการกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดให้เหลือเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่เกินเจ็ชาติ ถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสะกิราคามีจะทําให้การกลับมาเกิดนี้เหลือเพียงชาติเดียวในภพของมนุษย์แล้วถ้าได้ขั้นที่สามขั้นของพระอนาคามีนี้จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปแต่ยังไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมอยู่ยังไปเป็นพรหมอยู่แล้วถ้าได้ขั้นที่สี่ก็จะออกจากสวรรค์ชั้นพรหมไปไปสู่พระนิพพานได้ ถ้าไปถึงขั้นพระนิพพานแล้วก็ไม่มีการกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดในกามมาพบไม่มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาไม่ไปเป็นเดชะนัไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปตกนรกถ้าได้ขั้นพรหมก็ไม่กลับมาเกิดชั้นพรหมอีกต่อไปคือตายพบนี้จะไม่มีการเกิดจะไม่มีการกลับมาของผู้ที่ไปถึงพระนิพพาน และการจะไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องกําจัดความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติสาขั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชําระใจให้สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนานี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติขั้นสูงสุด ขั้ลองนมางก็คือการทําบุญทำกุศลต่างๆและการละการกระทําบาปก่อนที่จะไปสู่ขั้นสูงได้ต้องทําขั้นต่ําให้ได้ก่อนคือต้องเลิอกอบายามุขเลิกทําบาปคือรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนต้องรักษาศีลห้าต้องไม่ไปกระทําบาปไม่ไปเสพอบายามุขต่างๆเพราะถ้ายัางไปเสพอบายามุขยังทําบาปอยู่ ก็จะมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆที่ยังต้องคอยไปแก้อยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้เช่นคนที่ไปติดคุกติดตารางนี่ก็จะไปปฏิบัติวิปัสสนาที่ไหนก็ไม่ได้อยู่ในคุกก็ไม่สะดวกเพราะว่าหนึ่งไม่มีสถานที่ที่เอื้อเฟื้อสองไม่มีครัวจานที่คอยสอนดังนั้นขั้นแรกต้องพยายามอีกเลีเ่ยง ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการกระทำบาปที่เกิดจากการเสพอบายามุขต่างๆให้ได้ก่อนเพื่อเราจะได้มีเวลาไปทำบุญถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องของการไปติดคุกติดตารางเราก็จะมีโอกาสไปทำบุญได้เช่นในช่วงนี้มีงานทอดกระถินต่างๆเราก็ไปร่วมงานทอดกระถินได้ ขั้นแรกเราต้องปิดประตูาบายปิดประติวประตูคุกตารางปิดปัญหาต่างๆที่จะมาขัดขวางการไปทําบุญและการไปปฏิบัติธรรมของพวกเราเนีฉะนั้นต้องละการกระทําบาปทั้งปวงก่อนพระพุทธเจ้าทรงสารทรงสอนธรรมสามขั้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ารูปใดองค์ใดก็ตามถ้าได้มาตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว แล้วท่านนำเอาธรรมะมาเผยแผ่ทุกๆพระองค์นี้จะสอนเหมือนกันหมดคือละการกระทาบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรอพบพรพุทธเจ้าองค์หน้าหรอกองค์หน้าขององค์นี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นนก็รุ่นเดียวกัน เหมือนไม่มีอะไรที่แปลกใหม่กว่ารุ่นนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่ว่าจะมีมาอีกกี่องค์ก็สอนเหมือนก่อนสอนให้ละบาปสอนให้ทําบุญสอนให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คเราบางทีถูกกิเลสหลอกว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตายไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามคําสอนได้แล้วหรือปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของเขา เพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกไม่เสื่อมไปกับความตายของพระพุทธเจ้าอาการลิโก <Yeah. S 2> คาสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่ทำให้ผู้ศึกษาปฏิบัติได้บรรลุถึงพระนิพพานนี้เป็นคำสอนอันเดียวกันไม่มีความแตกต่างและสามารถนำให้ผู้ปฏิบัติไปถึงพระนิพพานได้ด้วยเหมือนกันทุกคนงนั้นไม่จาเป็นว่าจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้า มาพูดให้เราฟังเราถึงจะได้ทําแท้เพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดา mm hmm. ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะตายไปแต่ตัวแทนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ต่อไปทําหน้าที่แทนของพระพุทธเจ้าได้มีสองมีสตัวแทนด้วยซ้ําไปตัวแทนอันแรกก็คือพระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ แล้วได้มีการจดบันทึกไว้ในในพระไตรปิฎกนี่แหละอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่เวลาไปทรงแสดงธรรมที่ไหนก็มีพระติดตามคอยจดคอยจำแล้วก็เอามาท่องแล้วก็เอามาแบ่งให้กับพระลูกอื่นช่วยมาท่องมาจดมาจำกันจนสามารถระ ล, ลึกถึงได้ถึงต้อง 84% 0พันธรรมบท คำสอนต่างๆที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้มีถึงแ4 0 0สี่พันบทด้วยกันเกิดจากการพระจากการจดจำของพระที่ได้ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดจากการคัดกรองจากพระอาหารหันต์พระที่ได้บรรลุธรรมได้ถึงพานิพานแล้วท่านจะรู้ว่าคำสอนคาไหนที่ถูก คำสอนคำไหนที่ไม่ถูกต้องตามความจริงก็จะมีการกันกรองคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆครั้งแรกก็เกิดขึ้นสมเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปาลนิพานไปพระเทระผู้ใหญ่คือพระมาหากัทสปะก็ทรงก็เรียกประชุมพระอรหันต์ห้าร้อยรูปด้วยกัน ให้มาทบทวนคำสอนต่างๆที่พระต่างๆได้จดได้จำกันไว้ว่าถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้หรือไม่ถ้าเป็นพระอรหรนันต์นี้ท่านจะรู้ว่าคำสอนอันไหนตรงกับความจรงิงอันไหนไม่ตรงกับความจรงิงท่านถึงมีการกันกองคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นยุคเป็นสมัยมีการกันกองมาอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ไม่ต้องไปรอให้พบกับพระสีอานพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะการจะรอไปพบพระสีอานก็เหมือนกับการไปซื้อลอตเตอรี่ให้ถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ไปเจอพระสีอานในตอนที่พระสีอานมาเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านมาเป็นมนุษย์เราอาจจะไปอยู่เป็นเปรตก็ได้อยู่ในนรกก็ได้ ไปเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายก็ได้หรือไปเป็นเทพก็ได้หรือมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ฮะอยู่กันคนละทวีปอยู่กันคนละประเทศก็ได้อาจจะไม่ได้ยินได้รู้จักได้ยินก็ได้ถึงแม้จะมาเกิดอย่างคนที่มาเกิดในต่างประเทศนี้มีเยอะแยะที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเน้น <S S S 1> อย่าไปหวังอนาคตที่ไม่แน่นอนในเมื่อปัจจุบันที่แน่นอนนี้มีอยู่แล้ว รีบคว้ามาเถิดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคําสอนในพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกไม่จําเป็นจะต้องศึกษา8ปดหมี่พันบท ด, ด้วยกันถึงจะเข้าถึงคําสอนได้คําสอนของ พ, พุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้จะมีมากมายก่ายกองแต่ก็มีรสอันเดียวกันเหมือนกับรสของน้ําทะเล น้ำทะเลนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากบกคลุมแผ่ไปถึงทั่วโลกแต่ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนตักน้ำนั้นขึ้นมาดื่มดูก็จะรู้ว่ามีรสชาติอันเดียวกันคือรสของความเค็มดันได้คคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทก็สอนวิธีการดับทุกข์ทั้งนั้นงั้นเรียนเพียงบางบทก็พอบทสำคัญสำคัญก็สี่ห้าบทนี้ก็สามารถนำเอามาใช้กับการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เนี่ยเช่นศึกษาพระธรรมจักรกับพรวตฒนสูตรพระอ น, อนันตานันทลักษณสูตรพระอาทิตยสูตรพระสติปัฏฐานสูตรเนี่ย ส, สูตรใหญ่ๆนี้ก็พอกับการปฏิบัติวิปัสสนาพอกับการปฏิบัติสมาธิส่วนการปฏิบัติข้ออื่นๆก็ไปศึกษาจากมงค ล, ลสูตร มงคล3 8ข้อด้วยกันจะสอนวิธีเป็นเหมือนเป็นเหมือนบันไดสู่พระนิพพานสู่พระนิพพาน38ขั้นเริ่มต้นจากการไม่ให้คบคนโง่ให้คบคนฉลาดเพราะคนโง่ก็จะพาให้เราโง่นั่นเองต้องไปคบกับคนฉลาดคบบัณฑิตบัณฑิตในพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ตอนนี้ไม่มีพระพุทธแล้วก็ต้องเข้าหาพระธรรมหรือเข้าหาพระอริยสงฆ์ เป็นผู้ที่เราจะควรเข้าหาคบค้าสมาคมด้วยเพราะได้คบกับบัณฑิตแล้วก็จะได้เรียนรู้จากบัณฑิตบัณฑิตก็จะสอนให้ทําอะไรต่างๆขั้นที่สองของมงคลสูตรถึงขั้นที่38ต่อไปแล้วถ้าเราเชื่อฟังและเราน้อมนําเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะไปถึงพระนิพพานได้กันทุกคนพระนิพพานนี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศกับวัยนะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชาย เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนนี้ไม่เป็นสิ่งที่จะมาเป็นเหตุที่จะทำให้ไปไปพระนิพพานไม่ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปได้ยากได้ง่ายทางนั้นเองเพราะว่านักบวช ห, หรือผู้ครองเรือนหญิงหรือชายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปนิพพานกันผู้ที่จะไปนิพพานคือจิตใจไม่ใช่ร่างกาย เห็นจิตใจของทุกคนนี้เหมือนกันสามารถที่จะนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้เท่ากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเป็นคนสูงหรือเป็นคนต่ํา่ำสามารถไปถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนครั้งสมัยพุทธกาลนี้มีคนทุกระดับทุกชนิดที่บรรลุเป็นพระอรหันต์กัน มีเด็กสัมเนนบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีมีคนยากจนคนต่ำต้อยบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีมีมหาโชนคือองค์ุนมีมานบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีมีกษัตริย์คือญาติพี่น้องของพระพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันต์กันก็มีมีผู้หญิงบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีที่เป็นนักบวชก็มีที่ไม่ได้เป็นนักบวชก็มีเพราะฉะนั้นอย่าให้เรามาคิดถึงสถานภาพทางร่างกายว่า เราไม่ได้เป็นนักบวชเราไม่ได้เป็นผู้วิชายเราปฏิบัติทําไม่ได้อันนี้เป็นความคิดของกิเลสความคิดที่จะมาปิดกั้นการเจริญการปฏิบัติของจิตใจของเราให้ไปถึงพระนิพพานขอให้เราคิดว่าพวกเราทุกคนเหมือนกันที่จิตใจจิตใจของพวกเรามีกิเลสตัณหาเหมือนกันมีความอยากเหมือนกันกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนจิตใจของพวกเราเหมือนกันทุกคนและจิตใจของพวกเราก็สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันทุกคนพวกเราทุกคนสามารถละบาปได้ด้วยกันทุกคนละบาปละอาบายามุกได้สามารถทาบุญได้ทุกคนบุญก็ทาตามกาลังของเราไม่จาเป็นจะต้องทาเท่ากันทุกคน มีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราก็ถือว่าได้ทำเหมือนกัน <Yeah. S 1> การภาวนาก็สามารถภาวนาได้เหมือนกันทำจิตใจให้สงบด้วยสมาธิได้เหมือนกันทำจิตใจให้ฉลาดด้วยปัญญาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนี้ไม่มีอะไรมากีดขวางหรือมาห้ามไม่ให้พวกเราไปนิพพานกัน <Yeah. S 1> อยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อของเรา อยู่ที่ความเพียรความพยายามของเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้มาตัดสินว่าเราจะไปได้หรือไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังสามารถพาเราไปพรนนิพพานได้อยู่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องไม่ปฏิบัติแล้วเราก็จะไปรอคำสอนของพระบรอไปเจอพระสีอานกันถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปนิพพานได้แล้ว คือเราชักสะพานเราปิดทางของเราเองด้วยความคิดที่ผิดนั่นเองแต่ถ้าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมะเป็นอากาลิโกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่ได้เสื่อมไปกับความตายของพระพุทธเจ้ายังเป็นสันติโกอยู่ผู้ปฏิบัติสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ทำให้เกิดผลขึ้นมาได้อยู่เหมือนในสมัยพระพุทธการ ถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เราก็จะได้เกิดศรัทธาเกิดความเพียรขึ้นมาเกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดความยินดีเกิดฉันทะโอ้เราสามารถไปนิภานได้เราสามารถบรรลุปเป็นพระอราหันต์ได้ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามทุกคนสามารถไปได้กันหมดถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมีฉันทะความยินดีที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติทั้งสามข้อนี้ให้ได้เท่านั้นเองละบาป ละอบายามุกให้ได้ทำบุญตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปให้มันหมดจะได้ไปบวชได้ถ้ายัางมีเงินมีทองอยังหวงเงินหวงทองอยู่ mm hmm. ก็อย่าเอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาของซื้อของที่ไม่จำเป็นไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่มันก็จะทำให้เราติดไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติธรรมได้แต่ถ้าเรามีเงินมีทอง ที่เคยเอาไปใช้กับการไปเที่ยวไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเอาไปทําบุญให้หมดท <Yeah. S 1> ีนี้ก็ไม่มีเงินเที่ยวเลยไม่มีเงินไปช้อปปิง้งไปซื้อของฟุ่มเฟือยมันก็จะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้เราก็จะไปอยู่วัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมได้ไปบวชได้อย่างพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติออกบวชไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยไม่เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาไป แม้แต่บาทเดียวติดตัวไปเพราะรู้ว่ามันไม่จําเป็นต่อการไปพระนิพพานนั่นเองไปพระนิพพานนี้ไม่ต้องใช้เงินไปต้องใช้เวลาปฏิบัติพาเราไปแต่ถ้าเรามีเงินทองเรายังเกี่ยวข้องกับเงินทองอยู่เราก็จะต้องมาคอยดูแลรักษาต้องคอยหามาเพิ่มมาเติมเพราะกลัวมันจะหมดแล้วก็ต้องคอยเอามาเอาไปใช้ซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จําเป็น เราก็จะติดอยู่กับเรื่องการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมได้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้หมดเก็บไว้เท่าที่จาเป็นถ้าเรายังไม่ได้บวชเราก็ยังต้องมีเงินทองไว้สนับสนุนการใช้จ่ายทางร่างกายคือปัจจัยสี่อันนี้เราก็ต้องเก็บไว้สําลองไว้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเราจะได้มีเวลาว่างไปปฏิบัติธรรมได้ไปเจริญสมถะภาวนาไปเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ไปชําระจิตใจให้สะอาดได้นี่คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อใหญ่ๆละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม แล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสมถะภาวนาไปเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะถ้าเรามีทั้งสองอย่างนี้แล้วความอยากต่างๆที่เคยฝังอยู่ในใจของเรานี้จะถูกถอดถอนออกไปจนหมดสิ้นไปจากใจจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราอีกต่อไป ใจของเราก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นใจที่อยู่ในพระนิพพานไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้านำะมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราศึกษาแล้วเข้าใจเราจะเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรม และเราจะพยายามปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับเราคือละการกระทำบาปทำบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราทำได้แล้วใจของเราก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้วิมุติธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พบกับความสุขอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่คือบรลลังก์มรรคของพระนิพพาน นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ได้นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปะริกุเรนติสาขังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุ ป, ปกัปติ อิชิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจัโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโขมินัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุฒาปจายีโนจตารูธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ล เ, เดับต่อไปจะเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าจะไม่ได้มีเวลาที่จะพูดคุยหลังจากที่เลิกกันแล้วถ้าจะมารอถามหลังใหม่นี้จะไม่มีเวลางั้นถ้าไม่อยากจะให้รู้ว่าถามเรื่องอะไรก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เพื่อจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนถาม แต่ถ้าจะมาขอรอหลังจากที่เลิกแล้วมาขอถามมาคุยด้วยนี้ต้องขออภัยเพราะว่าไม่สะดวกแล้วก็ไม่มีเวลาพอตอนนี้มีเวลาพอสมควรที่ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้จะมาถามเองก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเป็นเราก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กาบอภิษการเจ้าค่ะวันนี้ผู้รับชม a c e b o o k 419ท่าน YouTube 204วิทยุออนไลน์8ผู้รับฟังหน้ากุติ190รวมทั้งสิ้น821ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามอ่านได้เลย คำถามจากคุณปานปานค่ะกล่าวนมัสการเจ้าค่ะขอสอบถามว่าอาริยบุคคลระดับอนาคามีขึ้นไปนั้นต้องบวชอยู่ในเพศบรณชิตเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะคือความจริงเป็นพระอริยนี่ก็ถือเป็นน่างบวชแล้วคือการบวชที่แท้จริงนี้บวชที่ใจไม่ได้บวชที่ร่างกายเห็นคนมักจะเข้าใจผิดว่าจะต้องบวชทางร่างกาย พวกที่บวชทางร่างกายแต่ไม่ได้เป็นพระอริยะก็ไม่ได้เป็นพระอริยะนั้นการบวชทางร่างกายไม่มีผลต่อการบวชทางจิตใจฉะนั้นผู้ที่เป็นแม้กรแต่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องบวชภายในเจ็ดวันตามที่คิดกันมีคนไปกุข่าวว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันจะต้องตายจริงๆไม่ตายเป็นคนลเรื่องกันเป็นพระอรหันต์กับเรื่องของความตายไม่เกี่ยวกันนั้น ความตายมันถึงเวลามันก็ตายเวลามันหมดลมหายใจมันก็ตายไม่ว่าจะเป็นผ้าอาหารหรือไม่เป็นมันก็ตายมันไม่เกี่ยวกันพอดีมันมีเรื่องที่มันทําให้ไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นเช่นพ่อของพระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นผ้าอาหารเจ็ดวันก่อนตายก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้บวชเป็นผ้าอาหารแล้วก็ต้องตายภายในถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันก็ต้องตายแต่ความจริงท่านตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บท่านประชวรหนัก พระพุทธเจ้าไปโปรดไปแสดงทําให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยไปคิดว่าเป็นค า, ารวะแล้วพอเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันนี้จะต้องตายอันนี้เป็นการเข้าใจผิดรับประกันได้ว่าไม่ตายมีแ ต, มแต่มีแต่กิเลสที่จะตายนะถ้าเป็นพระอรหันต์แลกิเลสตายแน่ๆ แ, แต่ร่างกายนี้มันอยู่ที่บุญกรรมอยู่ที่เหตุการณ์ต่างๆถ้าถึงเวลามันจะตายเป็นอาหารหันต์แล้วไม่เป็นอาหารหันต์ก็ตายเหมือนกัน คำถามจากคุณเปลมจิตค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยได้ยินมาว่ามนุษย์แต่ละคนมีเทวดาปกปักรักษาอยู่โดยอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปประมาณสามฟุตยอยากทราบว่าเป็นจริงหรือไม่คะกลับ<ม>ขอบคุณค่ะไม่จริงงเั้นคนทําบาป ก, ก็มีเทวดามาคุ้มครองเลยไม่มีแต่คนที่ทําบุญเท่านั้นที่ เ, เทวดาจะคุ้มครองอันนี้ส์ของผู้ทําบุญผู้มีความเมตตา จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเทวดาคุ้มครองรักษางั้นถ้าอยากจะมีบอดิการะดับเทวดาก็ต้องทำบุญให้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมีบอดิกามาคอยวควบคุมรักษาให้แต่ถ้าไปทาบาปทากรรมแล้วจะไปหวังให้มีเทวดามาคุ้มครองเนี่ไม่มีวันหรอกเทวดาไม่ชอบพวกคนทำบาปเทวดานี่เป็นพวกชอบคนทาบุญเพราะพวกเทวดาเองก็ชอบทาบุญ เพ้นคนชอบทําบุญเขาไม่ไปช่วยคนทําบาปหรอกฉะนั้นอยากจะมีเทวดาคุ้มครองก็ต้องทําบุญเยอะๆคาถามจากคุณอตอมค่ะทั้งหมดสามคำถามค่ะคําถามที่หนึ่งคนที่ตายไปแล้วจะรู้ตัวทันทีที่ตายหรือตามความเชื่อว่าสามวันห้าวันเจ็ดวันถึงจะรู้ตัวเจ้าคะ อ, อ๋อไม่รู้ตัวหละเหมือนคนนอนหลับเนี่ยเวลาตายก็เหมือนนอนหลับไม่รู้ตัวแล้วว่าตัวเองตาย ยังคิดว่าตัวเองเป็นอยู่เพราไปโผล่ในฝั น, นวันมาเป็นนู่นเป็นนี่ไปนู่นมานี่ไปทำนู่นทำนี่ข้อที่สองค่ะวิญญาณที่ตายไปจะไปตามบุญตามบาปที่ทำไว้แล้วถ้าเขายังเป็นห่วงเช่นห่วงคุณพ่อคุณแม่เรามีคนเห็นว่ามานั่งเฝ้าอยู่มีความจริงได้มากน้อยเท่าไหร่เจ้าคะถ้ามีความผูกพันมากๆก็อาจจะกลับมาได้ชั่วคราว อาจจะกลับมาเกิดเป็นจิกจกเพราะอยากจะอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่และวิธีที่จะอยู่ใกล้ได้เร็วที่สุดก็ไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอันนี้ก็อาจจะเป็นได้แต่ก็เป็นได้แค่ครั้งเดียวพอกลับมาเป็นจิกจกได้อยู่ใกล้พ่อแม่แต่ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีก็ตัดใจไปพอจิจกตายไปก็ไปรับผลบุญพรมผลบาปของตอนเองต่อไป ข้อที่สามค่ะศพที่ยังไม่ได้เผาตามความเชื่อที่ว่าวิญญาณจะไม่ได้ไปสู่สุขติเป็นความจริงหรือความเชื่อเจ้าคะอะไม่ใช่เป็นความจริงเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องจิตจะไปสุขติแล้วไปทุกขติอยู่ที่บุญที่บาปได้ทําไว้คําถามจากคุณคณิ t ฐาค่ะถ้าเราอยู่กับคนที่ชอบทําให้เราอารมณ์เสียทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันเราควรจะ ระงับอารมณ์โกรธได้อย่างไรดีเราพยายามจะนิ่งแต่ทําไมไม่ได้คุมอารมณ์ไม่ได้เลยเจ้าค่ะเพราะความโกรธของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาพูดให้ถูกใจเราพอเขาพูดไม่ถูกใจเราเราก็โกรธเขาเห้นต่อไปต้องเปลี่ยนใจเราอย่าไปอยากให้เขาพูดให้ถูกใจปล่อยให้เขาพูดอย่างไงก็ได้แล้วเราจะไม่โกรธเขาเหมือนกับฝนอะ่ะว่าอากาศนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ สั่งให้ฝนไม่ตกไม่ได้พอาะฝนตกเราก็ไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอยากให้ฝนไม่ตกเวลามันตกเราก็จะไม่เดือดร้อนฉะนั้นต้องตัดความอยากของเราอย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่โกรธเขาจะไม่ผิดหวังเพราะไม่ได้หวังอะไรจากเขาเขาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปหรือถ้าอยากจะให้สมใจให้ดีใจก็ให้หวังไปในทางที่เราไม่ชอบ ไม่ชอบให้เ้าดา่าก็หวังให้เ้าด่าเราเดี๋ยวได้ฟังคําด่าเขาแน่ๆแล้วพอเ้าด่าเราเราก็ถูกใจเราเพราะเราเราอยากได้ดเ้าด่าแล้วก็ดีใจสมใจอยากคําถามจากคุณสนุกเกอร์คะ่ะเวลาสวดมนต์แล้วเกิดอาการเห่าทีๆทั้ททงทางที่ไม่มีอาการง่วงเลยอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับก็ห่ามันก็บอกง่วงแล้วอย่าบอกไม่มีอาการง่วงได้ไง ก็มันง่วงอะไรมันถึงหาวคนไม่ง่วงก็ไม่หาวหรอกแต่าหาก็ลุกขึ้นมาเดินสวดก็ได้อย่านั่งสวดเดินไปสวดไปคําถามจากคุณจุรีพรค่ะขนาดสวดมนต์แต่เกิดใจฟุ้งซ่านในเรื่องทางโลกจะเป็นบาปไหมคะแล้วจะแก้การเช่นนี้อย่างไรไม่ให้ใจตกค่ะไม่บาปเราเพียงแต่ไม่ได้บุญจากการสวดมนต์เงั้นก็ต้องตั้งใจสวดแล้วก็อย่าไปสนใจกับความคิด มันคิดก็อย่าไปตามมันให้ตามบทสวดมนต์ของเราไปให้สวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเองใหม่ๆมันก็จะแย่งกันเราเคยคิดมากพ อ, อกมาสวดมนต์มันก็ยังไม่หยอบยอมหยุดคิดมันก็เข้ามาคิดอยู่เรื่อยๆเราก็อย่าไปสนใจมันให้สนใจอยู่กับการสวดมนต์ของเราไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะค่อยน้อยน้อยลงไปแล้วหายไปได้ในที่สุด คำถามจากคุณศิวพรค่ะกลับนามาส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะกลับเรียนถามถึงวิธีดับทุกข์ที่เกิดจากการกลัวความผิดบาปในอดีต ท, ที่ผ่านมาเจ้าค่ะก็ต้องยอมรับว่าถ้าทําผิดแล้วเดี๋ยวต้องรับใช้โทษมันเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองวิบากมันจะต้องตามมาจะไปกลัวหรือไม่กลัวมันก็ตามมาอยู่ดีนั้นกลัวไปก็ทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆต้องยอมรับความจริง อย่างพระโมคคัลานะขนาดเป็นพระอรหันต์ท่านยังยอมรับความจริงว่าวิบากที่ท่านทำไว้มันแรงท่านจะต้องถูกต้องรับผลของวิบากนี้วันใดวันหนึ่งเพอวิบากนั้นเกิดท่านก็ไม่หนีท่านก็ยอมรับมันไปเพราะท่านบอกว่าท่านหนีวันนี้มันพรุ่งนี้ก็ตามเรามาอีกจนกว่ามันจ ะ, สะแสดงผลแล้วมันถึงจะเลิกตามเรามาท่านก็ปล่อยให้มันสแสดงผลไปท่านก็เลยยอมตาย ท่าน แ, แต่ใจของท่านไม่ทุกข์ไม่มีความกลัวกับความตายของร่างกายเพราะใจท่านไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างกายท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายและรู้ว่าร่างกายต้องตายออก็เลยปล่อยให้มันตายไปเท่า น, นั้นเองคําถามจากคุณนรงชัยค่ะกล่าวนมัส ก, การครับกลับเรียนถามว่านั่งสมาธิจิตสงบแล้วเกิดปิติมีขนลุกน้ําตาไหล เมื่อเป็นบ่อยมีคนบอกว่าจะทําให้เกิดอาการยึดติดจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติในขั้นต่อไปหรือควรทําให้เกิดบ่อยๆเพราะมีความสุขและสงบดีครับอ๋อก็ต้องดูลมต่อไปถ้าเรานั่งดูลมก็อย่าดูลมต่อไปเวลาเกิดปิติก็อย่าไปหยุดดูลมถ้าเราพุโทโธก็อย่าไปหยุดพุดโทโธทําต่อไป mm hmm. เราจะได้ผ่านขั้นนี้ไปสู่ขั้นที่สงบขั้นอุเบกขาได้ต่อไป คำถามจากคุณเลิฟออนค่ะกับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาหนูทําบุญจะเขียนชื่อคุณแม่ซึ่งคุณแม่เสียไปแล้วแบบนี้เกิดประโยชน์หรือไม่เจ้าค่ะคุณแม่จะได้บุญที่เราทําหรือไม่เจ้าค่ะไม่เกิดหรอกอยู่ที่ใจเราเราต้องคิดอุทิศไปในใจแล้วว่าบุญที่ได้ทําวันนี้เขาที่ได้กับคุณแม่ที่ล่วงรับไปแล้ว ถ้าคุณแม่รอรับบุญนี้อยู่ก็ขอมารับไปได้เลยต้องทาไม่ต้องเขียนเขียนนี่ไปบอกให้พระเขารู้ท่านเองว่าทำบุญเพื่ออุทิศให้ใครแต่พระไม่สามารถส่งบุญของเราไปได้เราเป็นเจ้าของบุญเราต้องเป็นคนส่งไปเองเออคำถามจากคุณสีวิกาค่ะรักษาศีลแปลกินนมถั่วเหลืองหรือนมโคได้หรือไม่โจคะแล้วแต่วัดที่เราไปศึกษาไปปฏิบัติบางวัดท่านก็ ดื่มได้ท่านถือว่าเป็นเครื่องดื่มบางวัดถือว่าเป็นอาหารก็ดื่มไม่ได้เน้นแล้วแต่วัดมีสองสายด้วยกันสายหนึ่งท่านให้ดื่มได้อีกสายหนึ่งท่านไม่ให้ดื่มเน้นก็อยู่ที่ว่าเราไปศึกษาที่สายไหนอย่างสายนี้ไม่ดื่มไม่ดื่มพวกนมพวกคอฟฟเมดก็ไม่ดื่มไม่ใส่กินดื่มกาแฟก็ตั้งกาแฟดําใส่น้ําตาลได้อยู่ แต่ใส่คาเฟอเมลไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเป็นนมเทียมแล้วทำมาจากแป้งทำมาจากอะไรที่เป็นส่วนของอาหารก็เลยไม่ให้ดื่มไม่ให้ใช้คาเฟอเมลคำถามจาก YouTube ค่ะคุณแม่ฝากกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์กรณีเราใส่บาทแล้วใส่ซองถวายปัจจัยไปในบาทด้วยเรากับพระจะเป็นบาปด้วยกันหรือไม่ครับผมไม่บาป ท, ทั้งคู่น่ะ บโยมก็ไม่บาปพระก็ไม่บาปเพราะว่าพระไม่ได้เป็นคนสั่งให้โยมเอาใส่ในบาปโยมใส่ด้วยการไม่รับรู้ไม่รู้ว่าไม่ถูกต้องเท่านั้นเองเพราะกฎระเบียบของพระห้ามจับเงินจับทองห้ามรับเงินรับทองกับมือแต่ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ได้ถ้าพระมีเวลามีโอกาสก็จะบอกว่าโยมเข้าต่อไปฝากไว้กับลูกศิษย์นะถ้าอยากจะถวายให้เงินทองเพราะว่า พวินัยห้ามไม่ให้พระจับต้องเงินทอง mm. เพราะเงินทองนี้เป็นอันตรายต่อพระเพราะพระชอบไปภาวนาอยู่ที่เปลี่ยวเปลี่ยวถ้าพวกติดยาเสพติดหรือว่ามีเงินทองหนึ่งในย่ามเดี๋ยวก็ถูกป้นถูกที่ได้ mm. แต่ถ้ารู้ว่าพระไม่มีเงินมีทองก็จะปลอดภัยเห็นพ mm. ระพุทธเจ้าต้องการรักษาพระให้ปลอดภัยเลยห้ามพระไม่ให้จับต้องเงินทอง ให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่น่าเชื่อถือได้คําถามจากคุณสุพนัทค่ะกระผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกลมหายใจสั้นลงหรือไม่หายใจควรทําอย่างไรบ้างครับก็ดูต่อไปไม่ต้องไปกังวลมันจะสั้นก็รู้ว่ามันสั้นมันจะไม่หายใจก็รู้ว่าไม่หายใจไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องมีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นเพราะจิตมันจะใกล้เข้าสู่ความสงบแล้วมันจะเกิดอาการเหล่านั้นขึ้นมา ถ้าเราไม่ไปทำอะไรเดี๋ยวมันก็รวมเข้าสู่ความสงบเหมือนกับถอนหายใจเฮือกสุดท้ายเฮือกแล้วก็นิ่งเข้าไปสู่ความสงบได้แล้วก็เบาแล้วก็สบายมีความสุขยังไม่ต้องทําอะไรดูลมไปเฉยๆยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดเบาก็รู้ว่าเบาลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะ บปล่อยให้ใจแล้วเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาปั๊บเราถอนใจออกมาแล้วแทนที่จะปล่อยให้ใจเข้าไปก็ดึงใจออกมาคำถามจากคุณกุลสิริค่ะการที่เราเคยทำบาปกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ด้วยความหลอกลวงให้ความเสียใจผิดหวังกับเขาถึงแม้บุคคลนั้นๆ้เขาจะกล่าวอาโหสิกรรมให้เราแล้วก็ตามแต่บาปนั้นๆั้นที่เราทำไว้กับเขาก็ยังคงส่งผลให้เราบาปนั้นจะติดตามเราไปส่งผลให้เราทำไว้กับเขาใช่หรือไม่เจ้าคะใช่ผล บ, บาปผลของบาปมันยังต้องเกิดขึ้นเสมอถึงแม้บุคคลที่เราทำบาปแล้วเขาอาโหสิให้กับเรา ก็เพียงแต่เขาไม่จองเวรจองกรรมเราเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ไปลบล้างบาปที่เราทําไว้บาปหลงเราก็จะต้องเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดจากเขาอาจจะเกิดจากคนอื่นเคยไปหลอกลวงเขาแต่อาจจะต่อไปอาจจะถูกคนอื่นหลอกลวงก็ได้คาถามจากคุณวิไลคะ่ะไปทานกุ้งเป็นๆที่พี่สาวเราสั่งเราทานด้วยเราจะบาปไหมคะ ให้บาปอกถ้าเราไม่มีส่วนร่วมบอกพี่เอาตัวนั้นตัวนี้นะพี่ตัวใหญ่ๆนะพี่ถ้ามีการพูดอย่างนี้มบาปทําเองก็ดีสั่งให้เขาทําก็ดีสั่งให้เขาฆ่าก็ดีข่าเองก็ดีก็ถือว่าบาปแต่ถ้าเราไปไปร่วมกับเขาเขาชวนเราไปกินข้าวแล้วเขาเป็นคนสั่งอาหารมาเราไม่มีส่วนเราไม่บาป คำถามจากคุณนุ่นค่ะจะดับการมาราคาอย่างไรเพราะมารบ ก, กวนจิตใจอยู่เรื่อยเจ้าค่ะต้องดูอสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายดูตอนที่ร่างกายหยวย่ น, นหนังหงอกอผมงอกอฟันลออย่างี้อย่าไปดูตอนที่สวยที่หลอ่อดูแล้วมันก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาให้ดูตอนที่มันไม่สวยไม่หลอ่อ ดูตอนที่เป็นซากศพหรือดูเข้าไปใต้ผิวหนังดูอาการที่อยู่ภายในร่างกายดูอวัยวะต่างๆดูปอดดูหัวใจดูตับดูไตดูลำไส้ดูสมองดูโครงกระดูกมีด้วยกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกันเพราะไม่มองกันเท่านั้นเองมีคำถามจากผู้ฝากถามค่ะพระอาจารย์บอกต้องหยุดความอยากทำอย่างไดแบบไหนดีครับถึงจะแก้ปัญหาได้หมดครับ ก็ต้องใช้สติก็ใช้ปัญญาขั้นต้นก็ใช้สติพออยากก็พุทโธพุทโธไปจนกว่ามันจะหายอยากขั้นต่อไปก็สอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันสุกตอนต้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกข์ในตอนปลายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นมันก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรถ้าใช้สติก็หยุดได้ชั่วคราวเวลาที่เราพุทโธพุทโธมันก็หยุด พอเราหยุดพูดโทเดี๋ยวกลับไปคิดถึงมันอีกก็อยากขึ้นมาได้อีกคำถามจากคุณสาสิธรค่ะร่างกายป่วยหาทางรักษาไม่ได้แต่ทำใจไม่ได้ห่วงลูกมากๆจะเอาธรรมะรักษาได้หรือไม่เจ้าคะก็เอาสติสวนมนต์ไปไหว้พระสวนมนต์ไปทำใจให้สงบใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย แล้ร่างกายอาจจะหายก็ได้บางคนพอจิตสงบอาการกลับดีขึ้นแล้วไม่กี่วันก็อาจจะหายได้โรคบางโรคมันมีความฟุ้งซ่านความเครียดมาคอยทำลายจิตนั่งกายแต่พอเรากำจัดความเครียดความฟุ้งซ่านได้บางทีร่างกายมันก็มีกำลังที่จะฟื้นขึ้นมาเองได้ยั้นพยายามฝึกใจไว้ทำใจให้สงบแล้วก็อาจจะหายจากโกาครคภัยแค้เจ็บได้ หมอบางคนก็ยังแปลกใจเลยว่าคนนี้มีภารูปหนึ่งท่านไปหาหมอหมอเขาผ่ามาดูที่ตับรื้อหมอเบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วให้กลับไปตายที่วัดท่านก็กลับไปอยู่วัดไปภาวนาพุทธโธทำใจให้สงบแล้วเวลาปวดมากๆก็ไปหาหมอให้ช่วยฉีดยาแก้ปวดให้ดอังนั้นท่านท่านก็กินยาสมุนไพรไปกับการภาวนาหลังนั้นปีสองปีหายเลย หายขาดเลยเป็นของแปลกแต่เป็นไปได้งั้นรักษาใจเราเถิดไม่ต้องใจเราต้องรักษาเองหมอมารักษาใจของเรานะไม่ได้วิธีรักษาใจก็ให้มีสติคอยกากับความคิดต่างๆพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าคิดในทางความจริงได้ก็คิดไปว่าอย่างมากก็แค่ตายวะไม่มีใครไม่ตายแม้กับหมอที่รักษาเราเดี๋ยวมันก็ต้องตายเหมือนกัน แล้วคิดอย่างนี้แล้วมันโป่งได้ใจมันก็เบาใจมันก็สงบแล้วมันก็จะไม่ทุกข์แล้วดีไม่ดีร่างกายมันก็จะฟื้นขึ้นมาได้คําถามจากคุณเพลินพิศัก์ค่ะคําถามคือทําบุญกระถิ่นกับดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างใดดีกว่ากันคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังต้องการความดูแลอยู่ก็ต้องดูแลท่านไปแต่ถ้าทําได้ทั้งสองอย่างก็ดี ดูแลพ่อไปด้วยพ่อแม่ไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลาไป ท, ทําทอดกระถิ่นด้วยก็ดี mm hmm. แต่ถ้าต้องเลือกจริงๆก็ต้องดูแลพ่อแม่ไปก่อนเพราะาได้บุญมากกว่าพ่อแม่เป็นพระอาหันต์ของเรา mm hmm. เป็นมงคลอย่างยิ่ง mm hmm. การได้อุปถัาบิดามารดา mm hmm. เป็นมงคลเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีคําถามจากคุณไอซ์เบอร์เรคค่ะ ทำไมไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติทำสมาธิเลยเจ้าคะรู้สึกท้อใจมากเจ้าคะก็ไม่ฝึกสติต้องฝึกสติก่อนที่มานั่งไม่ใช่มาฝึกตอนที่มานั่งเหมือนนักมวยไม่ซ้อมเลยไปซ้อมบนเวทีก็ถูกเขาน็อคแั้วเนี่ยต้องซ้อมก่อนที่จะขึ้นเวทีต้องซ้อมโชกซ้อมโชกกระสอบซ้ายซ้อมโชกกับคู่ซ้อมเราก็ต้องเจริญสติก่อนที่เราจะไปนั่งสมาธิ เราต้องพุโทโธพุธโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุธโทโธทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดด้วยเปื่อยแล้วเดี๋ยวเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้คําถามจากคุณพี่ตุ้มค่ะล่า ง, งทรงเทพเจ้ามีจริงหรือไม่ครับก็มีตามความเชื่อคนที่เชื่อเขาก็ว่ามีจริงคนไม่เชื่อก็ว่าไม่มีจริง เราก็ไม่ไม่กล้าจะไปบอกว่าไม่มีเดี๋ยวคนที่เขาเชื่อว่ามีมันก็ไปเถียงกับเขาแต่เราไม่เชื่อว่ามีเราก็เราเชื่ออย่างนั้นแต่เขาจะเชื่ออย่างงั้นเราก็ไม่ห้ามเขามีคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะดิฉันเป็นพี่สาวคนโตได้ซื้อบ้านแล้วได้แล้วแม่มาอาศัยอยู่ด้วยเรื่องความเป็นอยู่ก็ดูแลท่านอย่างดี ไม่ว่าท่านอยากจะทานอะไรเจ็บป่วยดิฉันก็ดูแลแต่ตัวดิฉันกับแม่เหมือนมีความคิดไม่ตรงกันมานานแล้วบวกกับนิสัยเป็นคนตรงๆพูดจาผงผางไม่ไพเราะก็เลยไม่ค่อยเป็นที่ถูกใจของแม่เลยทำให้ทะเลาะ ก, กันบ่ยบอยๆค่ะทำงานอาศัยส่วนน้องชายทางานอาศัยอยู่คนละจังหวดัดเลยเล ย, เลยไม่ค่อยได้เจอแม่ น้องชายไม่ได้เลี้ยงดูแม่ไม่ได้ให้เงินใช้เหมือนกับดิฉันแม่กับน้องชายไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยแบบนี้ดิฉันก็เป็นบาปมากกว่าน้องชายใช่ไหมเจ้าคะก็เรื่องบุญก็เรื่องบุญเรื่องบาปก็เรื่องบาปเรื่องบุญที่ได้จากการเลี้ยงดูแม่ก็ได้แต่เรื่องบาปก็เกิดจากการพูดของเราเนี่ยเราต้องควบคุมวาจาของเราอย่าไปพูดในสิ่งที่เขาไม่ชอบฟังพูดในสิ่งที่เขาชอบฟัง แ ล, แล้วมันก็จะไม่บาปเขามีคำสอนว่าให้สมวนส่วนต่างให้ประสานส่วนเหมือนส่วนไหนที่มองไม่ตรงกันก็อย่าไปพูดนะส่วนที่ชอบเหมือนกันก็เอามาพูดแล้วก็จะไม่มีปัญหาต้องต้องมีศิละปะในการพูดนี่เป็นหนึ่งในมงคลมงคลสาสิาบแปมีศลปะวาจา hmm. รู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดรู้จักหยุดในสิ่งที่ไม่ควรพูด ไม่ใช่ตรงไปตรงมาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปแล้วทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจเสียใจแล้วก็มาโทษเข า, าหรือมาโทษตัวเองก็โทษตัวตัวที่ไม่มีสติกันกองก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนถ้าพูดออกไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็อย่าพูดดีกว่านิ่งเฉยสะกบ้างหัดฝึกหัดฝึกสมาธิให้มีอุเบกขาบ้าง เราอยากจะพูดอะไรถ้าให้ไม่ดีไม่พูดแล้วแม่ไม่สบายใจอย่าพูดดีกว่าเราต้องเทิดทูนแม่ต้องยกแม่ไว้เหนือศีรษะเราเหมือนกับว่าเราไปหาพระพุทธเจ้าแผ่นดินหรือไปหาพระเราจะต้องระมัดระวังเวลาเราจะพูดอะไรกับพระเจ้าแผ่นดินวเวลาจะพูดอะไรกับพระเราไม่กล้าที่จะไปผงผางพูดตรงไปตรงมาเนีงั้นให้คิดว่าแม่เป็นเหมือนกษัตริย์เป็นเหมือนพระที่เราจะต้องเทิดทูน ต้องเคารพต้องระมัดระวังเวลาที่เราพูดคุยอะไรกับแม่ต้องพูดได้วาจาที่เรียบร้อยคะ ข, า, ข า, าไม่ใช่มึงกูจากท่านเดิมเจ้าค่ะข้อที่สองถ้าเป็นแบบนี้ดิฉันยายออกจากบ้านเพื่อไปอยู่ไกลแม่แล้วส่งเงินให้ท่านใช้จะดีกว่าการอยู่ดูแลแล้วทําเรื่องขัดใจให้แม่หรือไม่เจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่เราถ้าเราปรับตัวเราได้ก็ไม่ต้องย้ายไปได้ประโยชน์สองอานเลยเกิดได้ประโยชน์จากการยิยงดูแม่แล้วก็ทำให้แม่สบายใจอยู่กับเราอย่างสบายใจ mm. เราก็สบายใจ mm. ถ้าเราแยากไปเราก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาอยู่ดี mm. เดี๋ยวต่อไปเราไปอยู่กับคนอื่น mm. ก็เจอปัญหาเดิมอีกแล้ mm. เดี๋ยวก็ไปทะเลาะ ก, กับคนอื่นอีก mm. เพราะเราเป็นคนที่ไม่ฟังใครไม่คิดถึงความคิดของคนอื่น ไม่คิดถึงอารมณ์ของคนอื่นว่าเขาจะรับได้หรือไม่ได้อั่าถ้าเราเป็นคนแบบนี้อยู่กับใครมันก็มีปัญหาทั้งนั้นคำถามจากคุณพิทักษ์ค่ะคนที่สวดมนต์ทั้งวันทั้งคืนแต่ยังละความโกรธและความรำคาญจากทางโลกไม่ได้การสวดมนต์ทุกวันนั้นยังจะได้บุญหรือไม่ครับกถ้าสวดแบบไม่มีผลก็ไม่ได้บุญนะสวดแบบนกแก้วหรือสวดแบบใจลอย ต่างนึงก็สวดไปใจนึงก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เกลี ย, ยดคนนั้นเกลียดคนนี้โกรธคนนั้นเกลียดโกรธคนนี้อยู่ในใจถ้าสวดไปอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องสวดแล้วทําใจให้ว่างให้เย็นให้สบายอันนั้นถึงจะได้บุญนั้นการจะสวดต้องมีสติสวดไม่ใช่สวดแบบไม่มีสติสวดไปแล้วใจก็ลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สวดอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร คำถามสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายเลยนะเจ้าค่ะคำถามจากทาง YouTube ค่ะแม่ของโยมปฏิบัติมาตลอดชีวิตแต่ตอนนี้บ้านปลายสังขารเสื่อมจนสมองหลงลืมลูกหลานแล้วถามว่าคนที่มีจิตแบบนี้ตอนทำการละจะวางจิตได้ถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้อยู่หรือไม่เจ้าคะถ้าลืมคำสอนก็ทำไม่ได้ มันต้องําคําสอนได้ถึงจะสามารถปฏิบัติได้ถ้าคนปฏิบัติจริงๆจะไม่ลืมถ้ามีสติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะไม่ลืมจะสามารถปฏิบัติได้คนที่ไม่ไม่ปฏิบัติสติไม่ค่อยมีก็จะเป็นโลกหลงลืมได้ฉะนั้นการมีสตินี้มีคนมีประโยชน์หลายประการด้วยกันทาจิตใจให้สงบและสามารถควบคุมความคิดต่างๆความจาต่างๆได้จะทำให้ไม่ให้เป็นคนหลงคนลืม ดูครูบาจารย์ท่านอายุ8ปดสิบเก้าสิบท่านก็ยังจำอะไรได้ต่างๆ mm. เพราะท่านมีสติ mm. สตินี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีเอาแล้วนะวันนี้ก็หมดเวลาพอดีขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ